วันนี้เป็นวันพุธที่ยี่สิบแปดธันวาคมพุทธศักราชสอง9ห้าอห้าสิบวันนี้พระในวัดของเราสี่สิบเอ็ดรูปแต่ลงมาฉันสามสิบงดไม่ฉันสิบเอ็ดวันนี้แล้วก็วันพรุงนี้จะมีการบวชพระสององค์เมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบวชที่วัดของเราเข้ามา ในวัดของเรานะพระสององค์จะบวชนาคแล้ววันนี้เป็นวันพระแรมสิบสี่ค่ำเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งดับวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยแล้วก็บอกกันด้วนะพวกพระอย่าลืมเที่ยงแล้วก็มาลงอุโบสถพร้อมกัน ที่ซาลายอย่างพวกเราเคยปฏิบัติมานั่นแหละแต่ลุงพ่อ ก, ก็กลัวมันองค์ที่ไม่ฉันอาหารอยู่ในป่าภาวนาเพลินมา ล, ลืมกระทั่งวันอุโบสถเราพวกพระทั้งหลายช่วยๆกันบอกกันอย่างพวกเราทุกวันที่ทุกครั้งที่อุโบสถแต่วันนี้ได้ทำวัวหน้างานท่าน อาจารย์หน่อยท่านพระอาจารย์หน่อยท่านบอกว่าจะของดงานขอหยุดงานไว้ก่อนเพราะมันช่วงปีใหม่พอสมผานที่มาช่วยงานวัดกนีก่มีหลายองค์ที่มาช่วยงานเราจะต้องกลับไปวัดเพื่อไป ดูคณะัาตาญาติโยมแต่ละหมูม่บ้านเขาคนมีการมาทำบุญทำทานปีใหม่ของเขาถ้าวว่าสมพานไม่อยู่ก็ยังไงสมพานก็ต้องกลับไปวัดก่อนในช่วงเท ศ, เทศกาลปีใหม่แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าสมพานถ้าวว่าไปติดธุระมากให้มาช่วยช่วยงานให้มันจบๆไปนะ <laughs> เป็นเสียเะสมพานติดธุระก็ไม่ว่ากันอกีกถ้าสมพานไหนพอที่จะมาได้มาช่วยช่วยงานของหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ถามดูว่ากำแพงของเราที่มันมีปัญหาที่มันลม้มลงประมาณร้อยสิบเมตรที่น้ำขุดกำแพงที่จะต้องซ่อม9ก้าสิบสี่เมตร ไปถึงไหนแล้วก็ได้ถามสับถามแล้วว่าประมาณหกสิบเมตรเรียบร้อยแล้วนะแปลว่าซ่อมเสร็จแล้วหกสิบเมตรก็ยังเหลือจํานวนที่ยังเหลืออยู่ออมาอีกปีใหม่ผ่านไปแล้วก็คงจะซ่อมไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเรื่องสะพานก็ยังไม่ได้ทําอะไรสะพานนะยังเอาไว้อยู่นะแต่มาอีก คลาวหน้าหลวงพ่อกับอกถ้าสะพานนี่นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรทำตรงหัวสะพานไว้ก่อนก็ได้ถมดินไว้ก่อนปรับดินถนนไว้ก่อนแต่ตัวสะพานยังค่อยทาเป็นจะเป็นเสาเข็มหรือจะเป็นฐานแผ่กระสุดแท้แต่จะพิจารณากันเริ่อ ม, มได้เพราะว่า ก่อนฝนจะมาอันนี้ก็คืองานก่อสร้างถึงเรียนให้พี่น้องศรัทธายาติโยมได้ระพูรับสาวว่าเออกำแพงของหลวงพ่อสะพานของหลวงพ่อเนี่ยได้ทำหรือเปล่าช่วงนี้ทำอยู่นะคะัศรัทธายาิโยมถ้าว่าผู้ใด <c oughs> จะสมทบเข้ามาก็ไม่ว่ากันนะ แต่ว่าไม่สมทบก็งไม่ว่ากันเองเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นวัดเป็นของสาธารณะเป็นบุญกุศลทำทำร่วมร่วมกันแต่กูบาทั้งหลายก็ทำแต่ค่าใช้ใจ่ายก็ทำทำมานี่ก็หลายเงินเหมือนกันแต่ดูดูแล้วก็หลวงพ่อเป็นคนเบิกจ่ายยังไม่ถึงล้านนะแต่ก็หลายแสนพอสมควร 60เมตรพอไมยังม่ถึงยังไม่ถึงจุดใหญ่ของมันนะเพียงแต่ซ่อมซ่อมทางศอกทางข่าทางแขนของมันยังไม่ได้ซ่อมไปทางถึงหัวใจหลักของมันแต่หัวใจหลักของมันคงจะจ่ายเงินมากพอสมควรอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสะพานถ้าพวกที่เคยทําสะพานมาก่อนสะพานคอนกรีตมาก่อน คงจะรู้ ล, ลิดนะถ้าเป็นของหลวงก็ไม่เป็นไรเพราะเป็เงินหลวงฮะถ้าเป็นของเอกชนยจะรู้เลยลน่ะรู้ลิลดนะแต่ควกกระเป๋าออกมาสร้างเรื่องสะพานเป็นเรื่องที่หนักหนาพอสมควรแต่ในหลวงพ่ อ, อามาคราวนานะ่ะปีใหม่ผ่านไปได้นใะห้เริ่ ม, มสะพานนี่แหละที่ตามส่วมผลลิดมาจากวันที่แปดที 9, ่เกพฤศจิกา กำลังเริ่มส่อมแซมไปไเรื่อยๆนะอันนี้คือซ่อมแซมทางด้านวัตถุภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขึ้นมาแล้วก็ซ่อมแซมทางหมดนั่นแหละเสือผ้าของเราก็เหมือนกันถ้ามันขาดมันชำรุดนิดหน่อยก็ต้องซ่อมแซมถ้ามันมากเกินไปก็ต้องเทงเพราะมันหมดอายุ บ้านเรือนของเราก็เหมือนกันก็ต้องซ่อมแซมถ้าหาว่ามันพังปวกกินไม้ทั้งหมดมันก็ต้องทิ้งอีกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องซ่อมแซมใจของเราก็เหมือนกันนะนะถ้าใจของเรามันรั่วเออมันหามเบรกไม่ได้มันรั่วใจรั่วนะพวกเราก็คงจะเห็นเคยเห็นคนใจรั่วนะ ตลอดเปิดเปิงตเตร่งเปิงเปิดคนไม่มีเบรกใจไม่มีเบรกใจแตกคนที่ใจรั่วไปแบบไม่มีปีมีคุยเบรกไม่อยู่จุดนั้นเราก็ต้องเยียวยาอีกเหมือนกันต้องรักษาอีกเหมือนกันพอใจมันรั่วใจมันแตก แน่แหละสุขสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีสิ่งที่เกี่ยวยารักษานะทั้งภายนอกทั้งภายในของเราแต่ไม่มีแต่มันรั่วน้อยๆนะทํามันรั่วน้อยๆรั่วนิดๆนะแล้วก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราตัวของท่านเองนะั่นะรู้ได้ว่าใจของเรามันรั่วไปทางไหนวะนะถ้ามีสติสัมปชัญญะนะ ถ้าฮวาไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนูลล่นล่ะจนเขาเห็นนะ่นทั้งคนทั้งนอกเขาเห็นนะ่นเอยแต่ตัวเองก็ยังไม่ยอมรับอีกต่างหากอพอเขาว่าเคุณแปลกนะ น, นั่นเนี่ ย, ยไม่ใช่มันเป็นบ้า เ, เนะรืออะไรเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเขาพูดนะเฮ้ยใครว่าข้าเป็นบ้าสู้เจ้านะ่ะเป็นบ้าข้าไม่ไปล็อกนะแสดงว่าบ้านคนนั้นยังไม่หายง่าย พราะยังไม่รู้จักตัวเองท่าว่าเขาท้วงติงมาเอ๊ช่เราจะชักจะไม่ปิดเราคงจะผิดปกติเลยเขายังทวงติงมาอย่างนี้นสํานึกตัวขึ้นมาได้เรียว่าบ้าคนนั้นดีขึ้นแล้วนะเพราะอะไรเพราะมีสติหยับยัง้งเห็นตัวเองไม่ลหลงไหลในตัวเองนี่แหละอันนี้ก็คือมันรั่ว การมันรั่วทีละน้อยละน้อยนะก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายพวกเราทุกคนนะ่มองตรวจตราดูตนเองไม่ใช่แต่มองคนอื่นแต่หลวงพ่อเองก็มองคนเองตัวเองเหมือนกันนะมันมันรั่วมากน้อยแบบอย่างไงแค่ไหนแต่เล่าท่าว่าพวกเรานะให้สังเกตตัวเองได้ไดง่ายๆนะถ่าเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธนะกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ เออแล้วก็จากนักก้นก็นับดูทำไม่มั่นใจก็ น, นับดูหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามสี่ห้าถึงร้อยถ้าถึงถึงร้อยได้แปลเอออันนั้นแปลว่าดีเ อ, อดีใจไม่รั่วะใจไม่ทะเลทลายถ้านับไปขนาดเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยมันทะเลทลายแสดงว่ามันมั น, ม, นมันเริ่มมันเริ่มจะรั่วแล้วแต่ถ้ามัน นับไม่ถึงยนะี่สิบอืมต้องระวังระวังไว้แล้วนะเออมันปิ่มปิมแล้วเหมือนกันเธอแต่นับทั้งไม่ยิง้งไม่ถึงสนะิบนี่นับเท่าไหร่ยังไม่ถึงสิบมันหลงไปก่อนแล้วมันเพลิไปก่อนนะอันนั้นไม่น่าไว้ใจนะแสดงว่าสติของเราเริ่มขาดละเริ่มขาดมากแล้วนี่แหละอันนี้วิธีการสังเกตตนเอง ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววิธีสังเกตตัวเองสังเกตอย่างนี้แหละสติของเราขาดจากตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะถ้ามันขาดมากเออแปลว่ามันไม่มีเลยนะคือคือคนบ้าสนะี่คนที่คนเป็นบ้าเนะี่ยคือขาดสติอนะไม่ใช่อื่นไกลนะคําว่าบ้าว่าคันนี้นะคือคนขาดสติคนไม่มีสติสัมปชัญญานะาถ้าคนมีสติสัมปชัญญนะเนี่ย จะเรียกว่าบ้าไม่ได้ ร, รู้ตัวเองอยู่เราคิดอะไรเราทําอะไรเราพูดอะไรไปที่ไหนมีสัมมาคารวะรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพี่น้องพี่ป้าน้าอาไปที่ไหนคนจะมีสัมมาคารวะยกมือไหว อ, อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือคนที่มี สติอยู่กับตนเองจะรู้จักวิธีการวางตัววิธีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับชุมชนและสังคมกับอยู่ในสถานะในช่วงนั้นๆในเวลานั้นๆในกิจการนั้นๆนี่แหละอันนี้คือคือสรุปแล้วก็คือใจของเราให้มองดูใจของเรามันมันรั่วหรือไม่รั่วนะไม่ไม่ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่า ตัวของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเองฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะในเมื่อใจไม่รั่วแล้วก็ดีเลยใจตั้งหลักได้เรื่องสมาธิของของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนะี่ยสติสัมปชัญญะคํานี้นะ่ะพร้อมที่จะเดินเข้าสู่สมาธิได้เมื่อคนมีสติแล้วจิตใจก็เน่งจิตใจก็สงบเมื่อจิตใจสงบนิ่งเหมือนกับคนเฝ้าบ้านฮะ เมื่อคนเฝ้าบ้านสติสมาธิคือคนเฝ้าบ้านในเมื่อคนเฝ้าบ้านเสียงอะไรเข้ามาก็รู้ตาไปเห็นอะไรส่งเข้ามาก็รู้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรก็รู้จีว่ามันเหมือนกับมันเฝ้าบ้านเมื่อคนที่เฝ้าบ้านสิ่งไหนก็มาก็รู้สิ่งควรจัดพูดควรจะต่อต้านควรจะยอมรับ แลวควรจะเป็นยังไงนี่แหละถ้าคนมีสติอยู่กับ ต, ตัวตนเองจากนั้นก็ไม่รับรู้อะไรอีกพอเวลาจะพักผ่อนนอนนะจะพักผ่อนนอนไม่รับรู้เรื่องอะไรปิดประตูเงียบนอนอันนี้คือสมาธิที่ว่าลึกซึ้งเพอาะ่ึกลึกซึ้งในสมาธิถ้าอุปจาระสมาธินะี่ยังรับรู้เรื่องต่างๆอยู่รับกวนรับสิ่งที่ควร รับรู้รับพิจารณารับการกลองไตรตองแต่มีสติสัมปชัญญะอยู่ให้ค้ามาอยู่ที่บ้านแต่รู้ว่าอันไหนอันไหนมาที่บ้านของเราอันนี้ก็คือในช่วงที่อุปจาระแต่อัปปนาสมาตุที่ปิดประตูปิดประตูทุกบานมีแต่เปิดแอร์เท่านั้นแหละแล้วก็จะนันน่งอยู่ข้างในตัวข้าพเจ้าเป็นยังไงสติอยู่กับตนเองรู้ สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแปลว่าพักผ่อนเต็มที่อันนั้นแปลว่าคนที่พักผ่อนเต็มที่อย่างนั้นทำการทำงานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะคนนอนหลับจากนั้นก็ถอนออกมาออกมาจากห้องมาคนมานั่งคิดมั้งนั่งมาทำงานที่งานที่จะที่จะพิจารณาได้ นี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือคนที่มีสติมันจะเป็นตามขั้นตอนอย่างนั้นนในเมื่อคนมีสติแล้วเถอะเนี่ยมีสมาธิดีแล้วนะนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองเรื่องเหตุและผลอะไรอก็ได้ทั้งหมดเพราะว่าคนมีสติโยกับตนเองแเมื่อจะกันกรองพิจารณาเรื่องอะไรที่มันผ่านเข้ามาเราก็รับรู้รับทราบแล้ว เรื่องอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงควรจะยอมรับยังไงควรจะทํำยังไงนี่แหละแปลว่าสติอยู่กับตนเองในจากนั้นก็พิจารณาอีกมันไม่ไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เพียงแค่นั้นเท่านั้นแยกแยะไปส่วนนอกเข้าไปอีกจิตใจมันหลงอะไรตัวที่มันสงบไปนะ็นั้นมันหลงอะไรมันหลงตัวเองหรือมันหลงใคร มันหลงสีแ่แฉกล้อมแล้วมันหลงอะไรตอนนี้มันมีมันต้องมีของหลงมันต้องหลงอยู่ในจิตใจในหลงตัวนี้แหละคำว่าหลงคือความลืมตัวเรื่องความเผลอแผลเรว่าความไปยึดสิ่งไหนทั้งปวงว่าเป็นของตัวตนทั้งที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งที่มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งที่เป็นมันเป็นไตรลักษณ์แต่ยังไปยึด ว่าเป็นของเราเออมันหลงนะมันมีหลายระดับนะคำหลงคำนี้นะหลงคานี้มีหลายระดับออมันต้องสังเกตถ้าเพียงแต่ว่าเราคิดหยับหยาบมันก็หลงมันก็เห็นเพียงหยับยาบนะแต่ถ้าว่าติตของเราดีขึ้นมาเราจะมองเห็นได้ชัดเจนมันหลงอะไรแต่มหาสติมหาปัญญาผู้ที่จะจำชาระกิเลสอันนั้นไหนะรู้จักเลยจิตมันเคยแย๊บออกไป เพียงแ ต, ต่จิตขยับออกไปเท่านั้นก็รู้ได้เลยว่ามันไปติดไปคล้องกับอะไรจิต ข, ของเราไปหลงในด้วยเรื่องอะไร เ, เพียงแต่จิตขยับเท่านั้นก็รู้ได้รู้เห็นอเนจังเห็นทุกขังเลยเป็นเห็นอนัตตาเลยเพราะนั้นมันมีหลายระดับในการบำเพ็ญทางจิตภาวนากอให้ขอให้พวกเราทุกท่กทานนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นแนวสังเกตสังเกตตัวเอง ในการภาวนาเนี่ยคือสังเกตตัวเองยกระดับตัวเองยกจิตใจของตนเองถ้าว่าเราไม่ใส่ใจเราไม่ใส่ใจเราไม่ได้สนใจในตัวเองจิตใจมันต่ํานะต่ําไปเรื่อยๆกิเลสมันจะถล่มเข้ามากิเลสราคะเนี่ยกิเลสราคะเข้ามานะีกิเลสโทสะเข้ามากิเลสโมหนะเนี่ยมันตัวเป็นพื้นอยู่แล้วกิเลสโมหะนะถ้าไม่หลงก่อนมันจะไม่โกรธ ถ้าไม่หลงสั ก, ก่อนจะไม่รักโ ก, โกรธโกรธหลงนะถ้ามันหลงสั ก, ก่อนมันจะไม่โลภมันโลภไปเพื่ออะไรมันหลงสั ก, ก่อนหลงเป็นตัวพื้นฐา น, นเป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอแต่ว่าอาวิชชาอาวิชชาคือขวดตัวหลงท่านนะพระอนาคามีพระอนาคามีนะ ท่านละกิเลสราคะกะโทสะได้เด็ดขาดแปลว่ากิเลสราคะโศสะไม่เข้ามาอยู่ในใจของพระอนาคามียังเหลือแต่กิเลสโมหะนะแต่ท่านชำระจะไม่จบกิเลสโมหะท่านตายก่อนนะยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตนะ์ท่านก็ต้องขึ้นไปอยู่ชั้นพรมเลยนะพรมชุตทวารห้าชั้นอวิหาอัตปาสุตสาสุตเสกนิธฐาน พรมห้าชั้นอยู่ที่พรมพระอนาคามีจากนั้นท่านก็ไปชำระอยู่ที่นั่นท่านเข้าสู่นิพพานท่านจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดท่านจะไม่ลงมาเกิดอีกพูดง่ายๆพระอนาคามีแปลว่าไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีกผู้ที่ท่านได้เป็นพระอนาคามีแล้ว พอไปคืออยู่ชั้นผมก็ บ, บำเพ็ญอยู่ชั้นผมชำระกิเลสตัววิชาเนี่ยตัวหลงเนี่ยในเมื่อท่านชำระแล้วท่านไม่ลงมานั่นเลยเข้าสู่นิพพานไปเลยนี่แหละในหลนักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเรื่องกิเลสคําน้น่ยถ้าหาว่าพวกเรามองมองดูแล้วเป็นตัวยังไงมันไม่ใช่อยู่ที่ไกลที่อื่นไกลมันอยู่ที่ใจของพวกเราทั้งหมด กิเลสราคะโทสะโมหะแต่เดี๋ยวนี้คล้ายๆว่าเราเป็นมิตรเป็นสหายกับมันเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะเอามันไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะเป็นพิษภัยเหมือนกับเราเป็นอริศรูนี่แต่มันดีกับเราอยู่ตลอดเราก็เลยเป็นมิตรเป็นสหายแต่วันดีคืนดีมันก็ออกแสดงฤทธิ์ออกมาให้เห็นบ้างแต่เราก็ยังหลงกับมันอยู่แต่เตียพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านโอ้โห ตัวนี้มันเป็นตัวที่จะทาให้เราเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุด น, นั่นเองมันก็ดีมันก็เลวมันกระเลวมันก็นกดีโดยมากเราเป็นมิตรกับมันจะมากกว่าใจของเราทำให้ใจของเราเดือดร้อนวุ่นวายเพราะกิเลสตัวนี้แหลนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วนะมองเห็นอริสตรูในจิตใจของของท่านท่านจึงชํำละด้วยแตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญา จากนั้นกิเลสราคะโทสะโมหันก็เด็นกระดอนออกพัทไทใจของพระ อ, องค์พระองค์จึงรู้ได้ว่านี่เราชนะที่เราเวียนไหวตายเกิดในวัตตาสงสารเป็นอนันตการม่ลูกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติคือกิเลส ต, ตัวนี้พา น, นํามาแต่บันนี้เราชําระแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วหมดจดจากกิเลสแล้วสิ่งที่เราจะทําให้เราไปเกิดเวียนไหวตายเกิดในวัตตาสงสารไม่มีอีกแล้ว นี่แหละอันนี้คือคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สาเร็จในตัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะคณาธายา จ, จมูมการที่จะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องเก็บหอมรอมริบไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละบำเพ็ญทานศีลภาวนาชําระกิจใจภาวนาไปบั่งทั้งได้บั่งเสียบั่งหล่นบ้างดีบ้างแต่ถึงอย่างไรก็เราก็มีความพยายาม อ, อมีความพยายาม ถึงจะไม่เป็นเศรษฐีเราก็มีอยู่มีกินอย่างน้อยกัา ป, ประทางชีวิตไว้ก็ยังดีกว่าดีกว่าที่จะเราจะยากจนไม่มีข้าวขอกหมอ่อไม่มีอันจะกินเลยเออหมอมแหมมไปหมดเราก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนี้คงเหมือนกันน่ะการบำเพ็ญคุณงามความดีถึงจะไม่ได้สำเร็จมักสำเร็จผล เ, เราก็ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ ก, กับตนเองให้มีบุญมีกุศลพยุงตนเอง ในภพนี้ชาตินี้แล้วก็เมื่อเราบำเพ็ญไปพบนาชาตินามันก็คงจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแหละท่านนี่แต่บางท่บางชาติก็ไม่แน่อีกเหมือนกันนะอพอสูงขึ้นไปแล้วกิกเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมาหลุมมาตุ้มเข้ามาอีกครนล้มลงไปอีกตกต่าอีกอาอาจากนั้นก็บมเพ็นขึ้นมาอีกฟูขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาอีกนี่แหละ ถ้างว่าชําระไม่ได้เมื่อไหร่กิเลสราคาโทรศัไม่ได้เมื่อไหร่พวกเราไม่น่าไว้ใจพร้อมที่มันจะขึ้นพร้อมที่มันจะลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉนั้นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่านอนใจอย่านอนจมอยู่ในกิเลสถ้าก็อย่านอนใจพยายามยกจิตยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเรื่อยๆหเห็นอนันในจังทุกขังอันาตาเกิดความเบื่อหน่าย หลุดพ้นถึงฝั่งนั่นแหละจะเป็นแดนเกษะเสนะถ้ายังไม่ถึงฝั่งนะยังนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดที่ไว้ใจจุดที่นอนใจจุดที่สบายใจได้พวกท่านทั้งหลายอย่านอนใจอย่าชล่าใจากับกิเลสในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนะีย่แหละอันนี้ก็คือเป็นธรรมคาสอนของพุทธเป็นธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ขอให้พวกเราท่านทหลายศึกษานะคอยศึกษาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามทำคําสอนของท่านเมื่อเราปฏิบัติแล้วเป็นสมบัติของเราไม่ใช่สมบัติของท่านท่านเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเท่านั้นนะ่ะผลที่ได้ปฏิบัติผลความสุขที่เราที่ที่เราปฏิบัตินะั้นเป็นของเรานะต่อเ น, นื่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนนะแล้วก็พร้อมกันวันนี้เป็นวันพระนะวันพระแรมสิบสี่ค่ำ พวกที่รักษาศินอุโบสถก็จะอย่าได้ชลาใจให้รักษาศินให้บริสุทธิ์นะอย่างน้อยใครมีศินห้าให้สํานึกไว้อยู่การที่จะฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้ตบจุงบี้มดนะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องระวังอีกมวนการเพราะวันนี้เป็นถึงอย่างไรให้ให้มีศินให้มีศินบ้างต่อไปก็มีศินประจำนะํำ สินห้าเนะี่ยควรจะเป็นศินประจําสําหรับสําหรับผู้สูงอายุแล้วนะผู้สูงอายุนะ่ะควรจะมีศินห้าควรจะงดงดงดไว้ระหว่างระหว่างเอาไว้ใครจะทําก็เออเ อ, อเราทําจนมาเลีเล้ยงลูกเลี้ยงหลานมาพอแรงแล้วล่ะเนี่ยแต่คราวนี้มันเป็นหน้าที่ของลูกหลานจะต้องเลี้ยงเราล่ะเราก็ควรจะห่างหางหยุดหยุดนะอย่าไปขยัน จะไปหยัดจะไปขยันแข่งลูกแข่งล้านเขาเถอะอสิ่งที่ผิดสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมนะอย่าไปสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมจะไปขยันแข่งลูกแข่งล้านเขาปล่อยให้เขาทํำซะเรานอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่เป็นไรอาหารที่เราเคยกินเคยอยู่มาอาหารดิบดีเราก็เคยกินมาพอแรงแล้วล่ะแต่ข่าวนี้ก็เอาไม่เป็นไรอิ่มบ้างได้บ้างดีบ้างอทานไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างเก่านะไม่เป็นอย่างอื่นหรอกนี่แหละให้พวกเรา ปล่อยปล่อยวางวางในตัวของพวกเราบ้างนะอย่าทำอะไรเอออะไรก็สู้กู้ไม่ได้อะไรก็สู้กู้ไม่ได้อตัวเองออะเทําทุกอย่างเออแทนลูกแทนหลานอันนั้นไปว่าทําไม่ใช่หวงโง่แล้วจะว่าอะไรอีกทีนี้ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้จักวางตัวนะอถ้าเขาไม่ทําแล้วก็ด่าเขาก็ได้เป็นไรไปเออกูเลี้ยงสู้มาพอแรงวะลูกหลาน่ะ กูเห็นสูแล้วรู้สึกว่ามันชักจะไม่ไหวแล้วนะอแต่นานๆพูดทีหนึ่งอย่าไปพูดบ่อยถ้าพูดบ่อยเขาบอกพูดคนแก่บน่นคนแก่บน่นเขาลาคาญฮนะเพราะนั้นเราไม่ต้องบดบน่นไม่ต้องบน่นเอยบ่นอย่างหลวงพ่อบน่นให้พระให้เน่นะบน่นแต่ตอนเช้าอย่างนี้ยนะหลวงพ่อบน่นแต่ตอนเช้าเลยตอนอื่นหลวงพ่อไม่บ่นนะเม้นเจเตอองค์ไหนมาใกล้ๆเออเอาบ่นซะที่มันไม่ถูกนะ ถ้าองค์ไหนนั้นก็อ่างเอาห่างๆก็ไม่ได้บน่นแต่องค์ไหนทําให้ถูกเออบนน่นจะแนะนำหลวงพ่อวันแนะนําบอกกล่าวนะแต่ที่แท้ก็คือบ่นๆนั่นแหละแต่ถึงยังไงก็ตามนะเจตนาของเรามีอะไรนะเพราะพาลูกพลานเข้ามาเพื่อการศึกษาเรียนรู้นะอย่างน้อยก็ให้เมื่อต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นสมภารขึ้นมาเขาจะได้รู้ว่าพิธีการวางตัววิธีการปฏิบัติ ต่อไปภายภาคยังไงอันนี้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะหลวงพ่อก็เคยดุเคยด่าเคยพรมแม่ครูบาอาจารย์เคยดุเคยด่าเคยว่าเคยกล่าวมาจนพอแหลงเหมือนกันนะจนมาถึงจุดนี้นะเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้เราก็เออเราก็ควรจะนําคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประยุกต์ใช้แล้วกันแนะนําบอกกล่าวต่อไปออผู้มีอุปนิสัยก็จะได้นํำทำคําสอนนั่นะ บอกกล่าวพระเนนลูกหลานต่อไป อ, อไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเน่งเท่าไหร่จรึงจะมีจึงจะรู้เป็นผู้ฉลาดไม่ใช่นะอทํอาเป็นผู้ฉลาดก็ อ, อมีแต่พรพุทธโลกตั้งขึ้นมาเอาผมเอาตัวอย่างพระพุทธโลกผมจะไม่พูดเเออจะทําดีแต่ไม่พูดน อ, อผลในสุดหมดคนรุ่นนั้นแล้วก็จบเลยละมันไม่ไปไม่มาอะไรแต่เพราะอะไร เพราะไม่มีาการว่ากล่าวตักเตือนกันไม่มีการแนะนําสั่งสอนกันการที่จะอยู่ด้วยกันพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต้องบอกเป็นทอดทอดกันมาเมื่อเราได้รับแล้วเราก็ถอด ท, ท, ทายไม้ต่อไปองค์ต่อไปทําดําเนินการต่อไปไปเรื่อยๆ น, ะนี่แหละอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะพระเนรลูกหลานจัทถายาติโยมตอนนี้ไปพระสง์อนุโมทนาให้พรรับพรเนตรนเนะ